มาปรึกษาเพราะกำลังทุกข์ใจเรื่องลูกเพราะว่ามีลูกเป็นเด็กออทิสติกอยากรู้ว่าลูกทำไมไปทากรรมอะไรมาถึงต้องเจอแบบนี้ทำไมลูกถึงไม่ดีขึ้นบ้างเด็กออทิสติกมีลักษณะอาการคือในตอนที่เป็นทารกจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นไม่ยิ้มไม่ส่งเสียงอ้อแอ้แต่อาจส่งเสียงเองตามลาพังแม้ว่าจะหิวปัสสาวะอุจจาระก็ไม่ร้องไห้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 และยังสอนให้มีความกตันอยู่รู้คุณยังดูพ่อแม่อีกด้วยหมอพี่อยากเหงืน้ำตาว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยส บ, บายใจส I'm. Mm -hmm.